أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ل ك ا ل ح, ح م د حتى رضا ولكل الحمد إذا رديب و ل ك الحمد و إ ا رضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا م ح م د ا عبده ورسوله إ, آ, أ ر س ل الله بالهدى ودين الحق ليظهر ل ت ي ن ك ل ه ولو به الكافرون نكرر الله ت على ا في كتابه الكريم بارع ذ بال م ش ي ط ا ن الرجيم إنا ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ب ت َ ا ه ربه فأكرمه ونعمه فيكُو ربي أقرما وأما إذا ما بتعاه فقدر على ل ه فيكُو ربي أهانا بل ل تُكرمون اليتيم ولا ت ح ب ِ و ن على ط ع ا ا ل م ك ي ن و ق و ل ر ا أ ق ل م ا ا و ن تي ر ك ي ا ب ك เร ا ما ت َ م َ ا ن ُ ك و َ عَنْ ت َ ع َ ا ع ِ د ل مِسْكِينٍ وَتَكُولُنَ ا ل ط ُّ ر َ ا َ أَقْلَنَمَا ا ب ساتا شون تي ركين كاب เรา ما ت َْ ك َ ا ن َ ح ُ و َِ ع َ ن ت َ و َ ا ع د ِ م ك ِ ن ٍ و َ ت َ و ل َ ا ل ط َُّ ا س َ أ ْ ل َ م ا ทำการศึกษาคำพูดของพวกลอสซูปานหัวตายแลเพื่อหวังในความเมตตาความพอพระทัยของพวกลอสซูปานหัวตายและแล้วก็หวังว่าจะเป็นการขัดเกลาให้กับหัวใจของพวกเราทุกคนทุกท่านนะครับผมทั้งตัวผมเองแล้วก็พี่น้องที่รักครับพี่น้องครับความเดิมตอนที่แล้วครั้งที่ผ่านมาเนี่ยในสุราเวนเฟิสเนี่ยเราได้พูดถึงความเมตตาของพวกลอสซูปานหัวตาที่พวกลอร์นั้นอาจจะมีมอบให้กับกลุ่มนึงมากกว่าอีกกลุ่มนึง ซึ่งทางนี้และทางนั้นไม่เป็นความเมตตาในรูปแบบใดก็ตามในความเมตตานั้นก็เป็นบททดสอบเช่นเดียวกันโพลัสุบาตราได้บอกได้เตือนสติพวกเราเอาไว้ครับในสุรัสพัชตั้งแต่อายะที่สิบห้าสบหกเบอร์กล่าวว่าไงนะครับมนุษย์เนี่ยเวลาที่ทดสอบเขาโดยการที่ให้ความโปรดปรานให้เขามีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายให้เขามีทรัพย์สมบัติให้เขามีอำนาจให้เขามี ความสามารถที่เขามีนวัตกรรมให้เขามีเทคโนโลยีให้เขาเหนียวกับผู้อื่นเขาก็มองไปว่านั่นแหละคือความเมตตาที่มาจากพระเจ้าแปลว่าพระเจ้าเมตตาเขาแปลว่าเขายังไงไม่รู้รอะไรแต่พรา้าเมตตาเขาเขาอาจจะเป็นเด็กเส้นเขาอาจจะเป็นลูกหลาของพวกเราแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราจะสอบคนเดียวกันคนเดิมเนี่ยแหละแต่พวกเราเกิดการสูญเสียให้เกิดการลดน้อยถอยลงให้มันอะไรที่มันควรจะมีแต่มันไม่มีไปซะ คนคนนั้นก็กลับจะมามองว่าอ้าวตกลงตอนนี้อัลลอฮ์ไม่ใช่เค่ไม่รักฉันนะอัลลอฮ์กลับมารังแกฉันกันนั้นเหรือทําไมอัลลอฮ์มาดูถูกนั้นทำไมอัลลอฮ์ไม่เกลียดฉันก็เลยลลั Allah, สลุบะฮ์ตราเกียบเรื่องพวกนครับก็เลยไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกมันเป็นเพียงความเข้าใจผิดของพวกเจ้าที่มองถึงการทดสอบของอุลลัสลุบะฮ์นูอตาแล้วเจ้าหลงคิดไปเองว่านี่แหละเจ้ามีเหนือกว่าคนอื่นแปลว่าเจ้าดีกว่าคนอื่นความจริงมันไม่ใช่ แล้วก็เช่นเดียวกันถ้าอะไรก็ตามที่มันเกิดความสูญเสียอะไรก็ตามที่เราเกิดความสูญเสียมันก็ไม่ได้แปลว่าพวกเรารังแกะเจ้าแล้วมันก็เป็นไปได้มากด้วยว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็เพราะน้ำมือของพวกเจ้าเองนั่นแหละที่ทรัพย์สินของเจ้าไม่มีวาล ก, กา้าทำไมเจ้ามีถึงมากก็มาถึงหายไปหมดทําไมถึงติดหนี้ติดสินทําไมถึงมีปัญหามากมายเจ้าทำตัวเจ้าเองหรือเปล่าเจ้าได้คิดบ้างไหมว่าในขณะที่เจ้ามีความสุขมีคนเปน็นจํานวนมากที่เขากำลังเตือนสอนอยู่ หรือเจ้ามัแต่คิดว่าถ้าเจ้าเดือดร้อนคนอื่นเขาไม่เดือดร้อนสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าหลายครั้งในเราเฉนด้นความลำบากของตัวเองในขณะที่เรามองข้ามถึงความลำบากของพี่น้องของเราที่อยู่เต็มไปหมดเรามองข้ามความยากลําบากของใครก็ตามที่ว่าเขาอาจจะเป็นเพื่อนบ้านเขาอาจะเป็นญาติเราด้วยซ้ำหรือบางทีอาจจะเป็นพ่อแม่เราใกล้ชิดยิ่งกว่านั้นสิบางทีเราไม่ได้สนแต่พอเกิดการสูญเสียเราก็กลับไป มุ่งไปเรีนไปกล่าวหาไปว่าร้ายต่อพวกลอสบ้าทั่วตาพวเราพูดได้ในคิดครับบัลลาตุคริมเนีนเยตี้พวกเราบอกให้รู้ว่าที่เกิดการสูญเสียเนี่ยหรือเหตุที่เจ้าไม่ใช่เป็นคนดีทั้งๆ ท, ท, ที่เจ้ามีทรัพย์สินมากมายเนี่ยเพราะว่าเจ้านั้นไม่ได้ให้เกียรติกับเด็กกำพร้าพวกเราบอกให้รู้ว่าบุคคลที่พวกเราจะให้เกียรติเขาจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าบุคคลที่เขา รวยหรือบคุคคลที่เขายากจนไม่ใช่บคุคคลที่เขาโดนทดสอบให้เกิดการสูญเสียหรือโดนทดสอบให้ได้มีมากมายเต็มไปหมดพเพราะ่าบอกถ้าเจ้าพูดถึงการให้เกียกรติเอาล้อมให้เกียรติผู้จะให้เกียรติเด็กกำ พ, พกร้าพะ่ากล่าวนครับกันแลบแลาทุกลมูลใหญ่เตมคือตอนนี้เจ้ามาบอกว่าเอาล้อมให้เกียรติเจ้าไม่ใช่หรอกเจ้าเองนะ่ะที่ไม่ให้เกียรติเด็กกำพร้า อิสลามมีกฎอยู่ข้อหนึ่งที่สำคัญมากก็คือกมาแต่ดีนูตูดานคุณหยิบยื่นสิ่งใดไปคุณจะได้รับสิ่งนั้นคุณอยากได้รับการให้เกียรติคุณก็ต้องให้เกียรติผู้อื่นก่อนอันนี้คือสิ่งที่เราพบได้ในสังคมทั่วไปปกติอยากให้คนหนึ่งให้เกียรติเราเราให้เกียรติเขาก่อนเขาจะให้เกียรติเราอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าโดยปกติมันจะเป็นแบบนั้น พี่น้องที่รักยิงครับเั่น <os>. หมายความว่าไงครับหมายความว่าการที่พระลอสให้ทรัพย์สินเราให้ความร่ำรวยกับเราให้ความหล่อเล้ากับเราให้ความสุขภาพแก่เราเนั่นไม่ได้แปลว่าพรเลอสให้เกียรตินะพี่น้องเพราะพระลอสให้เกียรติมนุษย์ทุกคนอยู่แล้วแน่นอนเราได้เกียรติแก่ลูกหลานของอดัมพ่อแม่ก่าวในคุรันพระได้เกียรติทุกคนอยู่แล้วซึ่งความรวยความจนมันไม่ได้แปลว่าพระลอสให้เกียรติเช่นเดียวกับการสูญเสียก็ไม่ได้แปลว่าพวระลอสดูถูก แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าในบททดสอบที่พวกล้อให้แก่เรามาเนี่ยเราแคร์คนอื่นด้วยไหมเราทําตัวอย่างไรต่อพวกลอซุบาห์นัวตาล่ะอย่างถ้าเรามีทรัพย์สินคนยากคนจนเขาได้รับอะไรได้รับประโยชน์อะไรจากทรัพย์สินของเราบ้างหรือมันเป็นเพียงแต่ทรัพย์สินที่เราเก็บหวงแหนไว้กับตัวเราเองถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็มีแต่ความอับอายุอย่างนั้นก็มีแต่ความตกต่ำทรัพย์สินแบบที่ท่านนบีมุสลิมบอกครับทรัพย์สินที่ใช้ใจ่ายพวกล้ อ, ลอ น, นั้นไม่มีทางที่จะลดน้อยมันก็มีเพิ่มพ มันจะไม่มีการสูญเสียที่เราคาดไม่ถึงหรือว่าสิ่งที่มันเกินคาดที่มันเลวร้วายถ้ามีก็เป็นบททดสอบแต่มันจะไม่มีแบบประมาณว่าเอ้าอยู่ๆปุ๊บอ้าสูบบีเยอะเจอเท่าไม่สบายตั้งเข้าโรงพยาบาลถุงลมถึงรลมพองป่องพ อ, องออกมามันเกิดจากอะไรทําตัวเองถ้าสิ่งที่ทําตัวเองก็ต้องรับกับสิ่งที่เราทําตัวเองแต่ในความเมตตาของพ่อร้อนั้นไม่มี บททดสอบใดที่พวกเราต้องการให้เบาวนั้นตัดไปบัลเละทุกปรมูลใ น, นละระดัแต่ถ้าว่าเจ้าพวกเจ้านั้นไม่ให้เกียรติกับเด็กกำพร้าแล้วก็ไม่สนับสนุนอาหารให้แก่คนขัดสนกับเด็กกำพร้าพวกเราใช้คําว่าให้เกียรติกับผู้ขัดสนพวกเราใช้คําว่าให้อาหารพวกเราไม่ได้ใช้คําว่าเจ้าไม่ได้อา ห, หารแก่เด็กกำพร้าเพราะเด็กกำพร้ามีหลายประเภท แล้วก็เด็กกำพร้าโดยรวมแล้วหนึ่งในปัญหาที่คนทุกคนที่เป็นเด็กกำพร้าต้องเจอก็คือการขาดความอบอุ่นเด็กกำพร้าบางคนอาจจะรวยกว่าผมอาจจะรวยกว่าพวกเราอาจจะมีทรัพย์สินพ่อแม่ทิ้งทรัพย์สินไว้เยอะแต่สิ่งที่เขาขาดคือเขาไม่มีพ่อจะเด็กกำพร้ารูปแบบใดก็ตามจะรวยจะจนแต่คือเขาไม่มีพ่อเขาขาดความอบอุ่นบางทีเด็กบางคนอาจจะไม่เคยมีใครรูหัวเขาด้วยความรักใครหรือไม่เคยมีใครสวมกอดเขาถึงก็ได้ธรรมชาติของมนุษย์เราใช้เกลียดคนที่เรารู้สึกว่าเขา มีอำนาจเหนือกว่าเราเขาร่ำรวยกว่าเราแล้วใช้เกลียดพี่นองพี่เท่าเขามากไหมหรือบางทีต่อให้เป็นเด็กถ้าเกิดเป็นเด็กก็รู้ว่าโอเด็กคนนี้เป็นเด็กแบบเด็กเส้นนะอพ่อเป็นคนใหญ่คนโตบางทีพ่อเป็นบอสเราเป็นหัวหน้าเราไปครับเราก็เออจะต้องให้เด็กคนนั้นรู้สึกดีกับเรากันละอย่างน้อยเขาไม่ชอบเราแต่ขออย่าให้เขาเกียดเราเพราะถ้าเขาเกลียดเราเดี๋ยวไปคุยกับพ่อเดี๋ยวเราเดือดร้อนธรรมชาติของมันจะเป็นแบบนี้เราใช้เกลียดเด็กโดยอัตโนมัติถ้าเด็กคนนั้น จะนำไปสู่ผลประโยชน์ให้กับเราหรือจะทําให้เเกิดความสูญเสียหรือต่อให้ไม่ใช่แบบนั้นครับถ้าเด็กคนนั้นเป็นลูกของคนที่เรารักเป็นลูกของคนที่เราชอบเราก็จะให้เกียรติแต่ตามธรรมชาติถ้าเกิดเราพบว่าเป็นเด็กที่ไหนก็ไม่รู้เด็กไม่มีหัวนอนปลายเท้าอ่ะเด็กไม่มีพ่อดิฉันเป็นเด็กจรจัดโอกาสที่เราจะให้เกียรติเด็กกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากแล้วก็น้อยเพราะไม่มีแบ็คไง ไม่มีเลยหนุนไงคือเราจะตบหัวเขาก็ไม่มีใครมาทําอะไรเราได้บางคนที่ว่ามีหัวใจที่เป็นโรคพอเจอคนที่อ่อนแอกว่าปุ๊บทําร้ายได้ก็จะทําร้ายโกงได้ก็จะโกงถ้ารู้ว่ามีทรัพย์สินหาทางยัดยัดยอกมาเป็นของตัวเองได้เขาก็จะทําเพราะฉะนั้นในเรื่องของเด็กครับเราได้คุยกันม า, มาแล้วนะครับในส่วนของสระ ท, ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของคำว่าอย่าตีมเนี่ยผมจะไม่พูดในส่วนที่ซ้ำที่พูดคุยกันไปแล้วแต่ประเด็นครับพี่น้องถ้าเราสังเกตดูครับ การให้เกียติเด็กการให้อาหารคนยากจนเนเพราะว่าเก่าในพรกุรานไว้มากมายแล้วก็บอกว่ามันเป็นประการแรกคุณลักษณะของผู้ศรัทธาประการที่สองคนที่ไม่ทำมันนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างซุรอ้อลมาอูลครับอรอยตัลลรียุกัสซิบบิ ด, ดีนฟาซาลิกันลดียะดอุลยตีใช่มัเวลาอยากดเวลต่อคิธิ์เจไม่เห็นถึงคนที่เขาปฏิเสธการตอบแทน คนที่เขาไปเสด็จโลกแน่คุณลักษะหลักของเขาเด่นของเขาคืออะไรครับเขานั้นจะตะเพิดเด็กกำพร้าไม่พูดดีด้วยกับเด็กกำพร้าแล้วก็ไม่ส่งเสริมกันด้กับคนยาคุณจนวลาดิการเลดียูโยาติมวลาดาทาดูนอะละตามมสกีไม่เกล็ดกำพร้าไม่ส่งเสริมอาหารให้กับคนยากคนจนเช่นเดียวกันในสระบ อุอมดมหากระบิณรมติมาฟะละตกหัสวามัไซลาฟะลาตันหามารพิกาฟัดดิสในสุราวดุฮาที่พระพถึงความปรดปานต่างๆที่พระพุทให้กับท่านับดลีมอัสลามให้กับบรรดาผู้ศรัทธาพะพุทบอกว่าไงครับในความปวดปานทั้งหลายที่ข้าให้กับเจ้าเนี่ยดังนั้นเจ้าจงอย่าได้ไปตะเพิดเด็กกำพร้าแล้วถ้ามีใครมาขออย่าได้ไปขับไล่เขาอย่าได้ไปพูดไม่ดีกับเขา แปลว่พวกเราพูดสอดคล้องเสมอครับสําหรับผู้สัตแทนที่ยอมรับในความโปวดปานที่ล้อมมีให้กับเขาเขาต้องแค่ผู้ที่เดือดร้อนคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่พอระเดือดร้อนปุ๊บขอเวลาจากล้อล้อให้เราพ้นจากการเดือดร้อนจบไม่ใช่พี่น้องหน้าที่ของมุสลิมคือการที่ท่านอับดุลสลามบอกพี่น้องมุสลิมเป็นพี่น้องกันมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าความเดือดร้อนของเขาก็เท่ากับความเดือดร้อนของเรา เวลาเขามีความสุขเราก็ควรจะสุขไปกับเขาเวลาเขามีความทุกข์เราก็ควรจะทุกข์ไปกับเขานี่คือพี่น้องกันนี่คือคำว่าพี่น้องซึ่งพี่น้องที่รักทิ่น่ครับเมื่อพ่อรอสบ์ยตร์ตราพูดกับผู้สแตนและบอกให้รู้ว่าความปวดปานที่มีนั้นเจ้าอย่าได้ไปตะเพิดเด็กกำพา้าอย่าได้ไปไล่คนที่มาขอ แปลว่าเจ้าต้องทําตัวตรงกันข้ามกับผู้ปฏิเสธวันแห่งการตอบแทนคนที่ไม่เชื่อในโลกหน้าเพราะคนที่ไม่เชื่อในโลกหน้าเขารู้จะทำดีไปทําไ ม, ไมถ้าทําดีก็แค่ความสบายใจของเขาแต่หลักๆก็คือเขาแตเพิ่เขาไ ม, ม่ความสําคัญกับคนที่อ่อนเอกว่าอ่อนแอก็แพ้ไปหรือว่าอะไรก็ตามประโยคที่มีการพูดคุยกั น, นยุค ป, ปัจจุบันพี่น้องที่รักยิงครับเมื่อเราพูดถึงคําว่าความยากจน ความยากจนเป็นบททดสอบมันไม่ใช่เป็นการเหยียบย่ำที่มาจากพวกวัซซุปานหัวตาล่ะความเดือดร้อนก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันแล้วหลายครั้งครับอย่างที่เราพูดกันไปในตอนที่แล้วหลายครั้งที่ความเดือดร้อนความยากจนความอดอยากมันจะเป็นเหตุที่ทําให้ผู้ศรัทธานั้นยิ่งมีอิมาเพิ่มยิ่งขึ้นผู้ศรัทธาเราไม่กลัวจุไม่กลัวจนและในขณะเดียวกันเราก็รวยได้ ไม่่าจะเป็นรูปแบบไหนนั่นคือบททดสอบที่พผู้รอมอบไปกับเราแล้วเราก็จะรับมือกับบททดสอบนั้นให้ดีที่สุดถ้าเป็นบททดสอบด้วยกับความยากจนเหมือนกับพี่น้องหลายท่านครับทดสอบที่มีความยากจนเราก็สามารถเป็นผู้ร่ํารวยในความยากจนได้เราไม่จําเป็นต้องรอให้รวยสุดๆแล้วถึงจะเป็นคนดีได้เราเป็นคนดีได้ต้องสถานการณ์พี่น้องที่รักทิ่ิงครับท่านนบีมุสลิมอัลลอฮฺมาริสัลามอย่างที่เราทราบ ท่านกับครอบครัวนั้นไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายอย่างอาหารการกินเดือนสองเดือนบางทีไม่มีการจุดไฟอย่างที่พวกเรารู้กันทั้งเดือนไม่มีการจุดไฟมีคนถามที่อย่างไอ้ช้าว่าพวกคุณกินอะไรกันช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยที่อ้ชาก็บอกว่าเรากินอินทผาลาัมกับน้ําบางทีอาจจะไม่มีอะไรกินด้วยซ้ําบางทีแค่อินทผาลาัมก็ไม่มีอินทาลัมก็ไม่ใช่กินแบบเป็นทลายแบบเป็นถาดใหญ่ใหญ่กินกับน้ําเต็มที่ไม่ใช่มีก็กินแค่อะไเล็กๆน้อย พี่น้องลองจินตนาการเดือนรอมฎอนที่จะถึงเนี่ยตอนนี้เราอยู่เดือนเก้าอ่ะสิบสิบสองหนึ่งสองเหลือประมาณห้าเดือนถัดนับเป็นอิสลามเ็เดือนซุฟัดกำลังจบเดือนซุฟัดเนี่ยรอมฎอนกำลังจะมาถึงประมาณอีกห้าเดือนเนี่ยถ้ารอมฎอนปีนี้พี่น้องลองจินตนาการว่าเราจะอยู่ได้ไงถ้าเราจะอยู่ได้ไหมถ้าเราจะกินแค่น้ํากับปินาปาลทั้งเดือนพี่น้องคิดว่าอยู่ได้หรือเปล่า เลยที่เรานแล้มนก็ไม่ใช่อัดตึงแน่นกินตลอดเวลานะพี่น้องกินแค่พออิ่มแล้วก็จบกินแค่สองมื้อไม่มีแฉมไม่มีแถมไม่มีชาไม่มีขนมปอกว่ามีขนมปังไม่มีเครื่องดื่มไม่มีอะไรไม่มีผลไม้ลากไม้อะไรพี่น้องว่าจะอยู่อย่งไรการถือเสื้อตัดจะถือแบบไหนก่อนอะไรอย่างนี้กบบนีกว่ารอดไหมแน่าจะรอดแหละมีชามแล้วแน่าจะรอดแต่แล้วจะถือเสื้อตัดยังไงจะมีความสุขกับการถือเสื้อตัดไมเราจะเครียดไหมเราจะเป็นยังไงเป็นประเด็นที่น่า น่าคนะี่น้อแต่ท่านละบีมุสลิมละซาร์ไม่ใช่แค่เดือนเดียวและบางทีสองเดือนท่านอยู่ยังไงแล้วถามว่าในกลุ่มสหายมีใครที่เป็นผู้ที่รักการบริจาคมากกว่าท่านลบีมอมุสลิมละซาร์หรือเปล่าเรากำลังเข้าใจผิดอย่างมาหันที่ว่าคนรวยเท่านั้นที่จะบริจาคได้มากไหนล่ะท่าน ไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ إيمان ไ ม, ม่อยู่ที่ความตักวาถ้ามีความตักวามันไม่เกี่ยวเลยว่าเราจะรวยหรือเราจะยากจนแต่เราสามารถบริจาคให้ทุกคนได้ตลอดเวลาพินาี่รักยิ่งคำมีครั้งหนึ่งมีคนมาที่อย่างอิช า, ร, า, ร, า, า, าริเลย์โลเลย์โลันฮะท่าับลลัมไม่ได้อยู่ด้วยมีคนมาที่อย่างอิชาร์เป็นผู้หญิงไม่พร้อมกับลูกสาวสองคนเด็กกํพร้าสองคน หญิงแม่คนี้มาเคาะประตูบ้านทนา่านอับดุลสลามซึ่งทา่านอบดไม่อยู่ท่านอย่างไอช้าอยู่หญิงนั้นแม่นั้นบอกว่าไงครับเราไม่ได้ทานอาหารอะไรมาหลายวันแล้วขออาหให้พวกเราหน่อยมาขอบริจาคอาหารพี่น้องที่ไอช้าทํ า, ายังไงครับเข้าไปค้นในห้องของนานค้นดูว่ามีอาหารอยู่ตรงไหนไม่เผื่อจะมีตรงไหนเก็บตรงไหนไหมเผื่อจะมีตรงนั้นมีตรงนี้ไปค้นมา สุบาต้องรับพี่น้องที่เนือช้าเจออะไรไม่ใช่เงินหนึ่งเหรียญไม่ใช่เงิ น, ไ ม, งนไม่ใช่เป็นทองไม่ใช่เป็นอะไรเจออินทาราพาล้ำสามเมตรพี่น้องทางบ้านที่นาง่งอยู่กับท่านอับดุลโมมัสกลาสลามมีอินทรพาล้ำอยู่ส า, า, ามเมตรในเวลานั้นอันนี้เข้าไขาม่มิสกีนไหมพี่น้องมิสกีนหรือฟั ก, กี้ส์เลยซ้ําแต่ถ้านเหนือช้าครับเอาอินทรพาล้ำนั้น มามอบให้กับหญิงที่มาขอนางเพราะนางนั้นมีลูกเล็กๆอีกสองคนคนจนก็บริจาคได้คนจนก็ช่วยเหลือได้บางทีไม่ใช่ทรัพย์สินเป็นอาหารบางทีไม่ใช่อาหารเป็นความช่วยเหลือเป็นการยิ้มเป็นอะไรก็ตามพี่น้องที่รักยิ่งครับแม่คนนั้นทํำยังไงแม่คนนั้นพอได้รับปินาผาล้มสุ้ผาลำ้ำล้อพอดีสาเมตรพี่น้องที่ ด, ดูเพราะมีตัวนางใช่ไหมนางเป็นแม่อยู่แล้วมีนางหนึ่งคนมีลูกสาวสองคน นางทำยังไงครับนางเอาอินทรพาลำให้ลูกทั้งสองคนคนละหนึ่งเม็ดคนละหนึ่งเม็ดนางก็ถือหนึ่งเม็ดลูกคนแรกได้ปุ๊บ ก, ก็กินอินทรพาลำแล้วก็ทิ้งเม็ดไปคนที่สองกินปุ๊บก็ทิ้งเม็ดไปแม่ดูปุ๊บแม่ทำยังไงครับอินทรพาลำที่เหลืออยู่ที่มึอนางอีกเม็ดหนึงเนงี่ยนางแบ่งขึ้นแบ่งขึ้นคือไม่ได้กินอะไรกันมาหลายวันแล้วทั้งสามคนทั้งครอบครัวเลย นางแบ่งครึ่งครับแล้วอินทผาลํำที่แบ่งเนี่ยให้ลูกทั้งสองคนคนละครึ่งลูกนางได้กินเพิ่มโดยที่นางไม่ได้กินอะไรเลยแล้วความหิวโหวยหิวอยู่แล้วครับเตยท้าผาล้ำสาเม็ดสรุปเป็นไงครับให้ลูกลูกนางหมดเลยถ้าอย่างไอชเชารอยยุลหัวอันหาครับเมื่อนางเห็นนางร้องไห้ สุดาเลยเหคนที่เดือดร้อนย่อมเข้าใจคนที่เดือดร้อนด้วยกันแล้วนี่คือความยิ่งใหญ่ของหัวใจของคนเป็นแม่ที่ไอช้างนางไม่มีลูกแต่พอนางเห็นปุ๊บนางร้องไห้ร้องไห้ร้องไห่ร้องไ ห, งห่จนให้ว่าเมื่อท่านอับดุลเบี๊ยงมัสริสลัมกลับมาพบกับนางท่านอบีก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหล่อไอช้างทาไมเธอถึงร้องห่มร้องไห้ขนาดนี้ที่ไอ้ช้างก็เล่าให้ฟัง เรื่องาวที่เกิดขึ้นแม่ไม้ที่มาขออาหารแล้วการกระทําของแม่ไม้ที่ว่าแบ่งให้กับลูกโดยที่ไม่สนใจตัวเองว่าตัวเองนั้นจะอดอยากแค่ไหนท่านอับดุลเบี๊ยมุสอัลลาฮฺซามพอได้ยินท่านก็เข้าใจแล้วท่านก็ตอบท่านหญิงไอาชาแล้วท่านก็เตืนอนท่านหญิงไอชาท่านบอกว่าไงครับแน่นอนไอาชาผลตอบแทนของความอดทนนั้นมันยิ่งใหญ่ ผลตอบแทนของการอดทนนั้นมันยิ่งใหญ่เพียงแต่ว่ามันต้องรอให้ถึงเวลาของมันก่อนคือมนุษย์มุสลิมเราต้องอดทนต้องผ่านมาก่อนเหมืนคนเป็นแม่อดทนไม่ลําบากไม่เพื่อนอดทนได้เพื่อลูกการอดทนนี้พราะลอจะตอบแทนนะเพราะนั้นกับมุสลิมเราทุกสถานการณ์ครับทำไมลอสจึงทดสอบชันเอาลอสไม่รักเฉลือลอสเกลียดเฉลือเพราะความอดทนนั้นผลตอบแทนมันยิ่งใหญ่ เหมือนที่พวกเ่าเก่าๆนี่สละสุมาศครับกุลยาอิบาริยันละดีนอามนุตตะกูรับบาคุมลิลละดีนาอัลฮัซนูฟิฮาสิตุนยาฮัซนะวะอัลลอฮิวาสิอะตุนอินนามยูวะฟสาบิรูนอัจรอฮุมเบไวร์ฮิซาบจงกล่าวแก่บาวของแท้จงกล่าวแก่บาของแท้ที่เป็นผู้ศรัทธาว่าจงสำรวมตนต่ออัลลอฮ์จงเคียงขวางอัล และสำหรับผู้ที่เขาประพฤติตนดีเขาจะได้สิ่งที่ดีในดุงยาอาจจะไม่ใช่ความสะดวกสบายแต่มันคือความดีที่เป็นความอดทนที่เขาจะได้รับแผ่นดินของเราเน้นกว้างใหญ่และผู้ที่อดทนจะได้รับการตอบแทนผลละบุญของเขาโดยไม่สามารถที่จะคิดเป็นจํานวนได้คือมากมหาศาลจนไม่สามารถที่จะนับได้พี่น้อง การตอบแทนที่พ่อรอดเตรียมไว้ให้กับผู้ที่อดทนเพื่อพ่อรอดสุบภานุจาระเพราะฉะนั้นคนเดือดร้อนคือคนที่มีความอดทนมากกว่าคนที่มั่งมีคนที่มั่งมีเขาต้องอดทนอะไรบางคนบอกเอาล้อถ้าเอาล้ฉันรวยฉันจะดีอย่างนั้ฉันจะดีอย่างนี้นนนพี่น้องการที่ไม่ได้รวยนะ่ะมีฮิกมา้ามีข้อดีมากมายมหาศาลนี่งกว่าการเป็นคนรวยแน้น้องการเป็นคนรวยแล้วเป็นคนร ว, วยที่ดีเนี่ยอะไรทำเลยละเขาช่วยเหลือคนอื่นได้อย่างมากมาย แต่การเป็นคนจนที่ยากไร้เนี่ยมันก็มีความดงามอยู่มหาศาลเพียงแต่ว่าใจของเราเนี่ยเปรี้ยละพี่น้องบางคนอาจจะบอกอาจารย์ทําไมเนี่ยซาฮาบะก็มีทําไมปล่อยให้นา บ, บิอุลอยากพี่น้องครับประการแรกความอดทนของบรรดาซาฮาบะที่เขาลําบากในอดีตเนี่ยเขาไม่เคยไปโพูนาให้ใครเขาไม่เคยไปดังเปล่าประกาศ เขาไม่เคยไปประกาศในเฟซบอกฉันเดือดร้อนเงี้ยฉันเดือดร้อนชีวิตจริงฉันลำบากเลยเกินฉันอย่างเงี้นฉันอย่างนี้เพราะเขารู้ว่าปัญหาของเขาเขาปรับทุกข์กับพระองค์แค่นั้นจบพี่น้องก็ไม่ควรลักษณะที่งดงามเนี่ยของคนดีๆเนี่ยพวกเรากล่าวว่าไงครับในสุระบกรอหลิลฟุกรอิลีนอสรฟสบลิลฮลายสตูนดับบัมฟิลอะร์ย์ย์ฮับุฮุมอัลชาฮิลูอักลียะอามีตอฟ แต่ดิฟุมบีซีมาฮุมลาเยสอาลูนัลฮาฟาวมาตุมฟิกูมินคอยดินฟินอัลอฮ์ฮะบอานีเพราะกล่าวนี้ก่น า, าว่าสำหรับคนที่เขาเป็นคนยากจนฟา ก, กีไม่ใช่มิสกีนะฟา ก, กีอุดยากจนสุดๆนะสะหรับคนที่เขายากจนสุดๆที่เขาเนี่ยถูกข้อมรอมที่เขาไม่สามารถไปไหนได้ไม่สามารถไปหากินอะไรที่อื่นได้ลักษณะของเขาเนี่ยถ้าเขาอยู่ เพื่อให้อลลอฮ์พอพระไทยดำรงชีวิตเพื่อให้อลลอ์พอพระไทยถ้าการมีชีวิตยอยู่ของเขาเพื่ออลลอฮ์พอพระทยอย่างแท้จริงพวกเราะบอกว่าถ้าพวกคนโง่โง่งงเนี่ยจะคิดว่าเขาเป็นคนรวยด้วยซ้นี่คือการวางตัวของผู้ศรัทธาถึงจะเดือดร้อนแค่ไหนไม่มีเหตุให้ต้องไปโพสนาให้ใครรับรู้วักหนึ่งที่ผมจะพูดบ่อยๆผู้ศรัทธาเรานั้นเลือกมีชีวิตยอยู่ อย่างราชสีที่อดอยากมากกว่าจะอยู่อย่างสุนัขที่เรือนที่อิ่มน้ำสำาํารานผมไม่ได้บอกว่าสุนัขที่เรือนไม่ดีไม่ได้บอกว่าราชสีดีเพียงแต่เปรียบเทียบไม่รู้ครับการอยู่อย่างมีเกียรตยิยศนั้นสําคัญกว่าสำหรับมุสลิมเกียรตยิยศของมุสลิมคือการที่เขาไม่ต้องไปพึ่งพามนุษย์ผู้ใดครับพี่น้องเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งท่านชิบลีมหะ ท, ท่านนับีุลมฮัมมัดสัลลาฮฺอะลัยฮุสล l a m ท่านชิบลีมาหาท่านอบีครับแล้วก็บอกยาโมฮัมหมัดโม คุณจะรักใครคุณก็รักไปนะถึงเวลาเดี๋ยวคุณก็ต้องจากเขาคุณจะใช้ชีวิตยังไงคุณก็ใช้ไปเดี๋ยวถึงเวลาคุณก็ต้องตายคุณจะทําอะไรคุณก็ทําไปถึงสุดท้ายคุณต้องรับผลในสิ่งที่คุณทําจงรู้ไว้จงรู้ไว้เกียรติยศของผู้ศรัทธาคือการที่เขาได้ลุกมาละหมาดยามขํามคืนและความสูงส่งของเขาคือการที่เขาไม่ต้องพึ่งพาผู้ใดไม่ต้องพึ่งพามนุษย์ผู้ใด นี่คือมุสลิมครับเราเลือกใช้ชีวิตอยู่อย่างมีเกียรติต่อให้เราไม่มีกินเราจะไม่เลือกขนทางที่ฮาร์รต่อให้เราเดือดร้อนมันก็ไม่มีเหตุผลที่เราต้องไปโพชนาให้ใครรับรู้ฮบุนัลลอฮวันเนีมนว่ ก, กิพวกเราก็พอเพียงแล้วสำหรับเราพวกเราไปพู้มติหมายที่ยิ่สุดคนหลายๆคนเดือดร้อนไม่มีใครรู้ว่าเขาเดือดร้อนแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วพวกเราก็เฉยเลยเข เพราะนั้นก็เหมือนกับนบีมุสลิมเหมือนกับบรรดาซาว่าแหละคนที่อยู่แบบอดอยากเขาก็ไม่ได้มานะปล่าประกาศฉันลำบากนะฉันอดอยากนะฉันอดกินข้าววันนี้วันที่หนึ่งฉันอดกินข้าววันที่สองฉันอดกินข้าววันที่สามฉันเดือดร้อนอย่างนี้ฉันเดือดร้อนหนึ่ไม่ใช่พี่เนาะนี่คือหัวใจของผู้ศรัทธาที่เขาผูกพันกับองค์ละร์เขารู้ว่าในความอดทนของเขานั้นมีการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่รอเขาอยู่ที่เพราะวเขาเดือดร้อนตอนเนี้ย เพื่อพวกเขาจะได้ตอบแทนเขาเพื่อที่เขาจะได้อดทนแล้วเขาจะได้รับผลตอบแทนแบบเกินจินตนาการในโลกนี้เพราะฉะนั้นตกลงใครคือบุคคลที่เราเล่าให้เกียรติคนรวยหรือคนจนคําตอบมันอยู่ที่การเลือกที่จะเป็นของเราถ้าเราพยายามเอาเราให้เราเป็นคนดีเราทำได้นในความเป็นคนดีเราช่วยเหลือคนเดือดร้อนเราให้เกียรติคนเด็กกำพร้านั่นก็คือบุคคลที่เราเล่าให้เกียรติซักสินอย่างประโยชน์กับผู้อื่น หรือถ้าพอลอสให้เราจนแต่ความจนของเราเราก็ยังช่วยผู้อื่นได้เราก็ยังไม่ได้ไปด่าว่าใครไม่ได้ไปบ่นอะไรให้ใครฟังแล้วไปยังช่วยเหลือผู้อื่นได้นั่นก็คือเกียรติยศที่พอลอสปาตราโม่ให้แก่เราตั้งแต่ในดุนยาอย่าลืมครับคนดีๆต่อให้เขาเดือดร้อนเขาก็จะมีชีวิตอยู่จนถ้าแ ม, ม้แต่คนโง่เขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเดือดร้อนแต่พอลอสบอกว่าไงครับเจ้าจะรู้ถึงคุณในลักษณะของเขา เขาจะเป็นคนที่ไม่ชอบขยันขยอขอใครคือถ้าเดี๋ยร้อนสุดๆของสุดๆของสุดๆถ้าจำเป็นต้องพูดเขาพูดแข็งๆเดียวแล้วก็จบไม่มาบอกนะนะจําเป็นจริงๆนะเดี๋ยร้อนจริงๆนะถ้าคนที่มาขยันข ย, นขยอสุดๆจริงๆเนี่ยเขาไม่ตรงกับสเปคที่พวกล้กล่าในอัลกุรอานซึ่งพวกล้บอกว่าอะไรก็ตามที่เป็นความดีงามที่เจ้าใช้จ่ายไปพวกล้อย่อมผิดซึ่งอย่างที่เรารู้ครับ การใช้ใจ่ายให้อลัลลอฮ์รักไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือเป็นคนจนเพราะเราบอกว่าไงครับเหมือนกับมเมล็ดที่ถูกปลูกลงไปหนึ่งมเมล็ดแล้วมันงอกเงยมาเป็นเจ็ดรวงทุกลวงนั้นมีอีกหนึ่งเมล็ดอยู่ในนั้นเป็นการตอบแทนที่เกินจินตนาการคนรวยช่วยเหลือคนอื่นได้คนจนก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อย่าให้ทรัพย์สินมาเป็นข้ออ้างในการไม่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเพราะอย่าลืมครับเพราะเราบอกคนที่บอกว่าคงไม่ให้เกียรติเขาเนี่ย เขาก็ไม่ได้ให้เกียรติคนอื่นมาก่อนเขาก็ไม่ได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมาก่อนในขณะที่เราเดือดร้อนก็มีคนอีกเป็นจำนวนมากที่เขาเดือดร้อนแล้วหลายครั้งที่เรามองว่าเราเดือดร้อนแล้วแต่มีคนที่เดือดร้อนกว่าเราที่เขาก็รอคอยความช่วยเหลืออยู่พี่น้องที่รักอย่าลืมดยเพราะคนเป็นพ่อบ้านบางทีเราโฟกัสกับครอบครัวเรามาก บางทีเราบอกไม่สนใจครอบครัวอื่นไม่สนใจเด็กเดือดร้อนเขาหรือฉันสนแต่เด็กของฉันฉ <mentation> ันสนแต่ครอบครัวของฉันลูกฉันน่ารักที่สุดที่เหลือเด็กที่เหลือไม่มีใครที่ฉันอยากจะสนใจพี่น้องอย่าลืมโปรับตัวในสุรนิสาครับวลยักษ์ลล์ดีนเราแต่เรากูมีขลฟิมสุริยตันดีอาฟันคอฟูอะไรหิมวัลยัตตุคุณโนฮวันยาภูรูการันเสนีดาเพราะเราบอกไงครับจงกลัวให้มากเลยนะใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงที่เขาต้องดูแลเนี่ยกลัวให้มากๆเลยนะ มันแปลว่าอะไรพี่น้องครับเวลาเรามีลูกเล็กเด็กแดงแล้วเราเป็นเสาหลักของบ้านสมมติเราเป็นเสาหลักคนเดียวเนี่ยพี่น้องเคยคิดไหมถ้าเราตายไปจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบางคนนั่นคิดบางคนพยายามเตรียมทรัพย์สินให้มากที่สุดถ้าฉันตายไปนะักภรรยาฉันต้องอยู่ได้ลูกฉันต้องอยู่ได้หลานฉันต้องมีงานทําต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นปนีเตรียมบ้านเตรียมอะไรแบบให้เรียบร้อยพเพราะว่าบอกว่าคนประเภทเนี่ยเขายิ่งต้องกลัวให้มากเลยนะ ว่าถ้าขเขาตายไปรู้ได้ไงว่าจะมีคนมาดูแลเขาอาจจะเตรียมทรัพย์สินไว้มากมายแต่อาจจะโดนคนที่สนิทเขากงไปก็ได้ยักยอกไปก็ได้เราช่วยอะไรแล้วไม่ช่วยไม่ได้ถ้าตายปุ๊บก็จบพี่น้องจะเตรียมดีแค่ไหนก็ตามถ้าถึงเวลาเราจะพลิกมันกห้จบมีโรคระบาดรุนแรงมาเกิดความเสียหายกับเลือกสวนเล่นาเกิดสงครามเกิดอะไรสาสที่เป็นปัญหาใครจะมาดูแลคนเหล่านั้นที่อยู่หลังจากเราไป พราบอกถ้าคุณกลัวว่าจะไม่มีใครดูแลคนของคุณคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะดูแลคนของคนอื่นเช่นเดียวกันกามาตาดีโนตู ด, ด, ด, ดานฟัลยัตตะคุลล้อเพราะเราบอกกลัวให้มากๆแล้วคนที่กลัวเนี่ยต้องยิ่งต้องกลัวให้มากๆแล้วพอกลัวมากๆแล้วก็ต้องกลัวล้อต้องสํารวมจนต่อล้อเพราะอะไรครับถึงเวลาเราตายพวกล้ออยู่หลังเราพวกล้อเป็นทายาทเราพวกล้อเป็นผู้ที่ดูแลต่อจากเรา วันถ้าเป็นผู้ศรัทธาครับเราเราสบายใจได้ต่อให้เราพยายามเต็มที่แล้วเราไม่เหลือทรัพย์สินเลยแล้วเราจะตายแล้วก็มั่นใจว่าฮัสบูลัลลราวันนี้มันลูกหลานเอ๋ยครอบครัวเอ๋ยย่าได้ทิ้งเอาล้อนะเอาล้อจะไม่ทิ้งวูเ้าเหมือนกับตอนเราเดินทางเราขอดวยามไครับอัลลฮุมนะสาฮิบุฟิซฟวลาีฟะตูฟิลอาลัลมานว่าอัลลอ์ผู้อัลล์นั้นเป็นผู้ที่อยู่กับเราตอนที่เราเดินทางแล้วเป็นผู้ที่เราปล่อยทิ้งไว้ให้ดูแลทรัพย์สินกับครอบครัวของเราได้ เฟานน์นวลายักษลชาลดันลวตรคูดไม่นั้นะั้วฟม่มใคริยต์ดขอาฟันขั้ว่ัว่ัว่ัว่ัม่ัม่ัลลม่ัวกก่ัว่ัว่แแัว่ัว่ัว่ัว่ัว่ไว่ัม่ัว่รว่ัาาว่ัว่ัว่ัว่ั้่ัว่ัว่ัว่ัว่เหลือด้านอว่ที่ราทํา่ด้ อย่าไปสร้างพิตรนะแต่ต้องให้ความช่วเหลือ น, นี่คือสิ่งที่ผู้ลอสุบฮานูเอตตาเตือนผมเราก็เตือนพี่น้องที่รักทุกท่านส่วนหนึ่งเท่านั้นในซีร็อปอัลฟาสครับพี่น้องที่รักยิ่งครับอัลกุร่านั้นเป็นข้อเตือนใจเป็นข้อเตือนสติให้แก่ผู้ที่ศรัทธาและแน่นอนผู้ที่ไปเสีศรัทธาเขาก็จะมีแต่ความได้ดิงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขอรัวจากผู้ลอสุบฮานูเอตตาให้อัลกุร่านั้นเป็นแกตาดวงใจของเราเป็นสิ่งที่ให้ความ เชียวชาวอุ่มเป็นสิ่งแค้กำลังใจเป็นสิ่งงดงามให้แรงผลักดันแก่พวกเราในการที่เป็นบ่าวที่ดีของพว้บาซุบานหัวตาลาขอให้เราได้อ่านกุรอานในสภาพของบ่าวที่รักอัลลอฮ์แล้วผู้อัลลอฮ์นั้นก็รักเขาขอให้เราได้เบะโยชจากอัลกุรอานเหมือนกับที่บ่าวที่ดีของพว้อัลลอฮ์นั้นควรจะได้ครับขออวจากพวกอัลลอฮ์อย่าให้เราเป็นบุคคลที่ถูกห้ามจากกุรอานขออย่าให้เราเป็นบุคคลที่ถูกห้ามจากความงดงามของอัลกุรอานถูกห้ามจากความเจริญของอัลกุรอาน ขอให้เรานันเป็นอาลุกรักอานเป็นอาลเป็นอาลุลลอฮเป็นพวกของล์เป็นสหายของพวกลอฮุบฮานตะลาด้วยเถิดครับอะกูลูกาลีฮะดะวาสกุลลอฮลิวะลกุมวาิซลมุสลิมีนาิุลรัสกุลูอิวกฟูริมสุบฮานุอลลอฮฺมานะฮบิกะัชฮฺลุลาาลันตะัสักวะุมลิลามุลลอฮวะบรกตุค่ะ